b า o ส2 <37. S> 3เจ็ดระหว่างเดินทางอุณหภูมิเขาขับรถจักรยานยนต์เขาขับรถจักรยานยนต์เขาขี่จักรยาน Han kører på cykel. k a n går. n Han går. k a u b å r Han går. Han g r Han s e r l e r Han s k i b e t g r Han g å i Han g r Han g r h a r Han går. h n r Han går. h n r Han går. h n g a n Han n a Han r ที่นี่อันตรายไหมคะอาจจะฟ้าลิดเหรอการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะอะไรที่ฟ้าล t ดที่ทํา l ลเลยเนมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนอะไรที่ฟ้าลิดที่กูทัวร์ตอนกลางคืนเราหลงทาง เรามาผิดทางเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมเราจะไปไห d อ๋อจอดรถได้ที่ไหนคะที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะบนหลิงเนีมมาาเ่ยมูนแมนพักคีย์เฮียคุณเล่นสกีไหมคะอยู่บนสกีคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะขึ้นสกีลิฟต์ขึ้นที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะสามารถเล่ น, นลสกีที่น